เถ้ารู้สึกว่าชีวิตนี้มีแต่เรื่องปฏิบัติจะใกล้กับมรรคผลนิพพานวงเล็บเปิดยีาพฤศจิกายน2549วงเล็บปิดพวกเราเองที่ชอบแบ่งชีวิตเป็นสองส่วนชีวิตช่วงนี้เป็นเวลาปฏิบัติช่วงนี้เป็นเวลาไม่ต้องปฏิบัติตราบใดที่ยังรู้สึกชีวิตมี2 ส, ส่วนนะ ชาตินี้ยังไกลต่อมรรคผลนิพพานแต่ถ้ารู้สึกชีวิตนี้มีแต่เรื่องปฏิบตัติแต่ว่าเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างอันนี้แหละใกล้กับมรรคผลนิพพานยกเว้นคนที่ต้องทำมาหากินต้องทำงานที่ต้องคิดนะในขณะนั้นปฏิบัติไม่ได้หรอกก็ต้องยกเว้นไป